โมทนากับพวกเราทั้งหลายนะีตั้งใจในการที่จะรับฟังพระธรรมวันนี้จะเอาคัมภีร์มาชื่อมนีกายมูลปนาตในสูตรที่6ในปาสราสีสูตรมากล่าวให้พวกเราทั้งหลายได้ได้ศึกษากันโดยเฉพาะในปาสราสีสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ว่าในเรื่องก่อนที่พระบรมศาสดาเริ่มตั้งแต่ จะตัดสรู้แล้วก็หลังจากตัดสรู้เป็นต้น น, นีนะ่ในสูตรนี้อยู่ในสูตรที่6ดังที่ได้กล่าวเนะี่ยเราก็เปิดดูตามเป็นลำดับไปในปาสราสี่สูตรเลยนะในข้อที่ส1 2สข้าพระเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชทวันอารามของท่านอนาถาปินธิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสะบงถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบินธบัติครั้งนั้นภิกษุหลายรูปเข้าไปหาท่านพระอา น, นุ์ก็กล่าวว่าท่านอา น, นุ์พวกข้าพระเจ้าได้ฟังพวกข้าพระเจ้าเนี่ยได้ฟังธรรมีคาถาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเวลานานแล้ว ขอให้พวกข้าพระเจ้าได้ฟังทำรรมีราถาเฉพา ะ, พ, พ, ระ พ, พระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดใจความตรงนี้หมายความว่าพระเนี่ยเข้าไปหาพระนร์ต้องการอยากยังให้พระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมท่านพระนรนกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงไปสู่อารามของพราหมณ์ชื่ออารัมมะกะ จึงจะได้ฟังธรรมีระถาเฉพาะพระพักของพระผู้มีอระภาคเจ้าภิกษุเหล่านั้นก็ได้รับคำของท่านพระอานุ์แล้วมีเป็นไปลักษณะอย่างนั้นการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยต้องย้อนไปก็ย้อนมาถ้าตรงนี้ก็เหมือนกันก็ไปเปิดหน้าที่431เนี่ยในอัตถกถาปาปาสราสีสูตรเนี่ย ในอัตถกถาท่านบอกว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้คําว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เนี่ยหมายถึงท่านพระอ น, นุนะแล้วก็บอกว่าพึงทราบวินิจฉัยในปาสราสีสูตรบทว่าสาธุงมยังอาวุโสเนี่ยได้แก่กล่าวขอร้องคือพระท่านไปขอร้องใครขอร้องพระอ น, นุนเล่ากันว่าภิกษุชาวชนบทเนี่ยประมาณ500เหล่านั้นเนี่ยคิดจะไปเฝ้าพระทศพลใช่ไหม คือจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงไปถึงเมืองสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นน่ะได้เฝ้าพระาศาสดาแล้วยังไม่ได้ฟังทำมีกถาก่อนหมายความว่าเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ฟังเนี่ยนะด้วยความเคารพในพระาศาสดาภิกษุเหล่านั้นจึงไม่สามารถจะกราบทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดแสดงทำมีกระถาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเนี่ยนะทไมจึงเป็นอย่างนั้น ความเคารพเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าให้พระาศาสดาสแสดงธรรมไม่กล้าจะพูดคํานั้นด้วยความเคารพในพระาศาสดาทีนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นครูใช่ไหมยากที่จะเข้าพบได้เหมือนพญาราชสีเนี่ยก็กว่าพญาราชสีเนี่ยตัวเที่ยวไปตามลํำพังเหมือนกุญชรที่ตกมันหรือเหมือนอสารพิษที่แผ่พังพานเนี่ยเหมือนกองไฟใหญ่สมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้บอกว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าถึงได้ยากเหมือนงูพิษเหมือนไก่สอนราชสีหรือเหมือนพยาช้างเออเป็นอย่างนั้นนะบอกว่าคนที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้าได้ง่ายๆเพราะทุกคนก็ต้องเกรงพระพุทธเจ้าใช่ไหมเหมือนจะเข้าหางูพิษเหมือนจะเข้าหาราชสีเหมือนจะเข้าหาพยาช้างอย่างนั้นนะยิ่งคนเองที่มีความขิดด้วยแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรามีบาปเต็มตัวเลยเประเภทนี้ย พระศาสดารู้เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้อย่างยกตัวอย่างเช่นศีลเราก็ไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่ค่อยได้ดีเนี่ยนะคุณธรรมในใจของเราก็เศร้าหมองเนี่ยเวลาเข้าไปเฝ้า พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยพระศาสดาก็รู้เราหมดแล้วอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นภิกษุเหล่านั้นไม่อาจที่จะวิงวอนพระศาสดาผู้เข้าพบได้ยากอย่างนั้นโดยตนเองจึงขอร้องท่านพระอนนในสัพ บ, บาลีท่านใช้คําว่าสาทุมยังอุโส ตาทูมายังอุโสบทว่าอัเปวันนามะได้แก่ฉไนหนาพวกเราจะพึงได้เพราะเหตุไรพระเทล่จึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพวกเธอพึงเข้าไปยังอาสมของ ร, รัมมกะพรามเธอทำไมทาไมพระอนนท์ยึงกล่าวแบบนั้นพระอนนท์กล่าวบอกพระภิกษุใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่บอกว่าท่านทั้งหลายจงไปจงเข้าไปที่อารามอาสมของ ร, รัมมกะพรามเนะี เพราะว่ามีกิริยาปรากฏกิริยาของใครกิริยาของพระทศพลย่อมปรากฏแก่พระเถระคือผ้าโนนเนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้ามาเนี่ยจนสังเกตอากับกิริยาของพระพุทธเจ้าแล้วรู้เลยคนฉลาดเป็นอย่างนั้นน่ยไม่ต้องบอก เ, เพียงแต่ดูปฏิกิริยาว่าวันนี้พระพุทธเจ้าจะทําอะไรเนี่ยเยคือพระเถระทราบว่าวันนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวันเนี่ยเนี่ย ทรงพักผ่อนกลางวันในปุกผาลามถ้าเราไปกันที่สาวัถีเนี่ยก็จะไปเห็นบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่สร้างวัดปุบผาลามปุบผาลามก็เป็นวัดที่นางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าและบริเวณตรงนี้เป็นวัดเอเชเวันวัดเชตวันก็ที่อนาถปินที่กาเษฐีสร้างถวายอย่างเงี้ยนะคือ ถามว่าวันนี้เสด็จไปบินบาตรตามลำพังวันนี้แวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์เวลานี้เสด็จจาริกไปชนบทถามว่าเนี่ยถามว่าเจโตปริยายานเนี่ยนะย่อมมีเพื่อให้ท่านรู้อย่างนี้ได้อย่างไรตอบว่าไม่มีก็หมายความว่าพระเทล่หมายถึงผ้านนเนี่ยนะไม่ได้รู้ด้วยย า, ยานวิเศษอะไรนะที่การรู้นั้นน่ยไม่มี ท่านรู้โดยถือในาตามในกิริยาที่ทาไว้โดยรู้ตามคาดคณีคาดคณีจริงอยู่วันนั้นน่ะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเชตวันนี้เวลาประทับอยู่ที่เชตวันก็มีพุทธประสงค์จะทรงพักผ่อนกลางวันในปุพาลามในเวลาใดในเวลานั้นก็ทรงแสดงอาการคือการเก็บงาเสนาสนะเครื่องบริขารพระเทละเก็บงาไม่กวาดสการะ ที่เขาทิ้งไว้เป็นต้นแม้ในเวลาที่ประทับอยู่ที่ปุภาลามและเสด็จเชตวันพักกลางวันก็ในนี้เหมือนกันคือคือพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าจะไปเสด็จจากเชตวันไปที่ปุภาลามถ้าต้องการจะไปพักผ่อนที่ที่วัดปุภาลามเนี่ยก็จะแสดงอาการคือการเก็บงําเสนาสนะและเครื่องบริขาร พระเทละก็รู้ทันทีว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพราประสงค์ในการที่จะออกจากเชตวันไปปุภาลามางนี้เป็นต้นเนในเวลาที่ประทับอยู่ที่ปุผาลามแล้วเสด็จมาเชตวันพักกลางวันก็ในนี้เหมือนกันข่าวใดที่มีพุทธประสงค์จะเสด็จเที่ยวบินทบาทตามลําพังข้านั้นก็จะปฏิบัติสีละแต่เช้าเข้าคันตะกุดีปิดพระทวารเข้าพระสมมาบัต พระเทระก็ทราบตามสัญญานั้นว่าวันนี้พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรวจเหล่าสัตว์ที่ควรจะตรัสรู้แล้วจึงให้สัญญาณแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอาวุโสทั้งหลายวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์เข้าไปตามลาพังพวกท่านจงเตรียมภิกขาจารย์ภิกษาอาจารย์คืออย่างนี้ถ้าวันไหนพระพุทธเจ้าปิดประตูกุฏิเนี่ยนะพอปิดเนี่ยอันนี้รู้แหละ ท่านพานนนสังเกตดูแล้ววันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยประสงค์จะไปบินธบาตรรูปเดียวที่ท่านปิดประตูเนี่ยท่านเข้าพระสมาบัติเข้าผลสมาบัติของท่านนเนี่ยนะพอเข้าผลสมาบัติแล้วพระองค์ออกจากพระสมาบัติก็จะตรวจดูเหล่าเวนัยสัจว่าใครเนาที่จะได้ตรัสรู้ถ้าใครจะได้ตรัสรู้อยู่นางท่นทิศใดเป็นต้นเนี่ยพระาศาสดาก็จะไปบินธบัตรตามลําพัง ที่ไปนะ่ะคือไปโปรดด้วยแล้วก็ไปแสดงธรรมโปรดท่านผู้นั้นด้วยเพราะพระองค์จะรู้หมดว่าใครเนาะที่จะได้ตัดสร้ในวันนี้ในเวลานี้อย่างนี้เป็นต้นคือเพราะพระพุทธเจ้าท่านทํางานของท่านเนอะแต่ว่าท่านพระนนทก็จะสังเกตเอาอย่างนี้รู้แล้วก็ให้สัญญาณแก่ภิกษุเนี่ยวันนี้พระศ า, าสดาประสงค์จะเข้าไปตามลําพังแล้วก็ให้ภิกษุเหล่านั้นเตรียมพิกขาจารย์ก็บินบาก ถ้าคราวใดมีพระประสงค์จะมีภิกษุบริวารเสด็จปักเข้าไปคือถ้าหากมีความประสงค์ที่จะให้ภิกษุแวดล้อมไปด้วยในในขณะไปวินทบาทเนยคราวนั้นก็จะทร ง, งแง้มทวารพระคันทากุดีจะเปิดประตูไว้นิดหนึ่งอย่างเรานี่เปิดแล้วก็ไม่รู้นะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดใช่ไหม <laughs> นี่คือคนมีปัญญาเป็นอย่างนี้ท่านสังเกต ว่านนทเนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ท่านเขารบพระพุทธเจ้ามากมากเลยนะเราเคยอยู่กับใครล้ว เ, เคยสังเกตแบบชนิดที่คนที่เราอยู่ด้วยเขาไม่ต้องพูดเลยพูดก็น้อยที่สุดเนี่ยเพียงเราสังเกต ป, ปฏิกิริยาก็สามารถปฏิบัติได้ถูกเคยเจอคนแบบนี้ไหมพี่ยงในเคยเจอไหมถ้าเจออย่างนี้ได้ไม่ธรรมดานะ <c oughs> แล้วก็ ในคราวนั้นก็จะทรงแง้มทวารพระคันทะกดีประทับนั่งเข้าพระลสมบัติพระเถระทราบด้วยสัญญาณนั้นจึงให้สัญญาณแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อรับบาทจีวรแสดงอาวันนี้พระพุทธเจ้าจาักบิณฑบาตแล้วมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมไปด้วยแต่ถ้าคราวใดนะมีพุทธประสงค์จะเสด็จจาริกไปชนบทคราวนั้นก็จะเสวยเกินคำสองคา นะปกติเนี่ยพระนนจะรู้เลยนะว่าพระพุทธเจ้าฉันอาหารกี่คำอ่ารู้ขนาดนั้นคําว่าคนมีปัญญามากก็ยังไงพรพุทธอุปถากเนี่ยต้องขนาดนั้นถ้าคนที่จะเป็นพุทธอุปถากพระพุพทธเจ้าเนี่ยนะก็จะต้องมีปัญญามีสติสัมปชัญญะระดับนั้นฉัน้นนิติพระพุทธเจ้าวันนี้ฉันกี่คําเนี่ยรู้เลยและโดยปกติฉันกี่คำพระพุทธเจ้าก็ฉันแค่นั้น แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งต้องการจะเสด็จไปชนบทหรือไปตามที่ต่างๆเนี่ยนะจะฉันเกินคำหนึ่งหรือสองคำอันนี้เป็นนิมิตหมายบอกว่าจะจ ะ, จะจะเสด็จไปที่อื่นแล้วและก็มีการเสด็จจงกลมไปไ ป, ไปมามาทุกเวลาพระเทวะก็จะทราบด้วยสัญญาณ น, นั้นว่าจึงให้สัญญาณแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพุทธประสงค์จะเสด็จจาริกไปชนบทพวกท่านจงทํากิจที่ควรทําของท่านเสียเนี่ยก็แปลวันนี้ต้องรีบทํากิจนะว่าวันนี้พระบรมศาสดาจะเสด็จไปชนบทนั้นพระพุทธเจ้าไม่ติดที่อยู่อยู่แล้วใช่ไหมไม่เหมือนเราทั้งหลายเนี่ยไปในที่ตรงไหนโอ้เป็นห่งวงมากคือกลัวจะไม่ได้กลับที่เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้า ในปฐมโพธิการประทับอยู่ไม่ประจ 20, าํา20พรรษาคือว่า20พรรษาเนี่ยในปฐมโพธิการเนี่ยในในตอนตัดสรู้ใหม่ๆคําว่าปฐมเนี่ยนะตอนตัดสรู้ใหม่ๆจากพรรษาแรกถึงพรรษายีสบเนี่ยไม่จําพรรษาอยู่ประจําภายหลังประทับจําพรรษากรุงสาวัตถียีหพรรษาเลียดนี่วันหนึ่งหนึ่งทรงใช้สองสถานคือจําที่สองที่สาวัตถีเนี่ย ใช้สองสถานก็คือหมายความว่าใช้ที่เชตาวันและใช้ที่ปุภาลามคือกลางคืนเนี่ยนะประทับอยู่ที่ในเชตวันรุ่งเช้าก็แวดล้อมโดยภิกษุสงฆ์สเสด็จบินทบาทกรุงสาวัตถีทางประตูทิศใต้สเสด็จออกจากประตูทิศตะวันออกทรงพักผ่อนกลางวันในปุภาลามเห็นไหมกลางคืนก็ประทับอยู่ในปุภาลามรุ่งขึ้นก็เที่ยวบินทบาทยังเมืองสาวัตถี ทางด้านประตูด้านทิศตะวันออกแล้วก็เสด็จออกทางประตูด้านทิศใต้ก็พักผ่อนกลางวันในเชตวันเพราะเหตุไรเอา้าจึงทรงอนุเคราะห์แก่สองตระกูลนะั้นจึงอยู่ธรรมดาว่าคนใดคนหนึ่งตั้งอยู่ในความเป็นมนุษย์เหมือนท่านอนาถาปินฑิกาเศรษฐีหรือหญิงคนอื่นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นมารดุคามเนี่ยนะเหมือนนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่จะทําบริจาคทรัพย์อุทิศพระตถาคตย่อมไม่มี เพราะฉะนั้นน่ยพระบรมศาสดาหรือพุทธเจ้าเนี่ยจึงทรงใช้สองฐานะเหล่านั้นในวันเดียวกันเพื่ออะไรเพื่ออนุเคราะห์แก่ตระกูลเหล่านั้นนั้นพระบรมศาสดาเนี่ยที่ใช้ใช้สองสถานเนี่ยก็เพราะว่าจะใช้ปุถพาลามเป็นที่ประทับบ้างใช้เชตวันเป็นที่ประทับบ้างเนยในเวลากลางวันในเวลากลางคืนอย่างนั้นเพื่อจะอนุเคราะห์ใคร อนุเคราะห์านาถปินิกาเสดฐีแล้วก็อนุเคราะห์นางวิสาขานี่เป็นอย่างนี้เนะีน่นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะีลักษณะที่บอกว่าพระพุทธองค์มีพุทธประสงค์ในการที่จะพักแล้วก็ประทับอยู่ที่ปุบรุ่งขึ้นก็เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรงสาวถีดังที่ได้กล่าวนั้นใช้สองสถานนะในวันเดียวกันเพื่ออนุเคราะห์ตระกูลเหล่านั้นก็ในวันนั้นนะพระอนุน ประทับอยู่ในเชตวันเออขอพยพระองค์นั้นประทับอยู่ในเชตะวันเพราะฉะนั้นพระเถละจึงคิดว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวบินทบาตในเมืองสาวัตถีในเวลาในสาวัตถีในเวลาเย็นจักเสด็จไปยังสุ้มประตูทางด้านทิศตะวันออก mm. เพื่อจะทรงสงสนานพระองค์ mm. เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงทูลวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับยืนสงสนารนพระองค์แล้วไปยืด ไปยึดอาสมของรัมมะกาพราม์เมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนี้จึงจักได้ฟังทำมีคาถาเฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าดัางนี้แล้วจึงได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้คือกล่าวกับภิกษุบอกว่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตในปัจฉาภัทแล้วเนื้อรักษณะที่บอกว่าจึงได้ ถ้าเราย้อนมาดูในปาศราสีสูตรที่บอกว่าท่านพระนรินท์กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงไปสู่อาสมของพราหมณ์ชื่อรมกะจึงจะได้ฟังธรรมมกคาถาเฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุเหล่านั้นรับคําของท่านพระนรนท์แล้วนี่ก็มาถึงว่าจึงได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ต่อไปเราขึ้นในสูตรนี้ต่อไปละครั้งนั้นน่ะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปบิณทบาทที่กรุงสาวัตถี กลับจากบินธบาตในเวลาปัจฉาพัทนี้แล้วหลังจากพัรเนี่ยคาว่าปัจฉาพัทคือหลังพัดแล้วเนี่ยตรัสเรียกท่านพระ อ, อนุนตรัสว่าอานนุ์เราจะไปพักผ่อนกลางวันที่ปราสาทแห่งมิคัลมาดามิคัลมาดาในวงเล็บ ก, ก็คือนางวิสาขาที่ที่มีชื่ออย่างนี้เพราะอะไรมิคัลมาดาเนี่ย ปาศาสของนางวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขานั้นท่านเรียกว่ามิฆลมาตาเพราะมิฆาเศรษฐีเนี่ยสถาปนาไว้ในฐานะเป็นมารดาคือพ่อของสามียกย่องนางวิสาขาบอกให้เป็นแม่เขาก็เลยเรียกนางวิสาขาว่ามิฆลมารดาคือมารดาของท่านมิขฆาเศรษฐีลูกเซไปอยู่ใน ไปที่แรกไปเป็นลูกสะพ้ายเนี่ยนะไปไปมามาแล้วทำดีจนพ่อของสามีชื่นชมมากเลยเรียกแม่เลยตอนนี้หายากเลยห <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้ทานนะน้ำไม่ยอมมาเพียรเคยได้ไหมไม่ได้เลยเนี่จะไปดูนางวิศไปดูที่ปุกผาลามแล้วนึกถึงตรงนี้เอาไว้ว่านางวิสาขาที่เป็นพระโสดาบันเนี่ย ที่ปุปผารามนะท่านพระนนทก็ทูลรับพระดํารัสแล้วนะพราะผู้มีภาคเกี่ากับท่านพระนนทได้เสด็จไปพักผ่อนกลางวันที่ปราสาทแห่งมิคาลมาดาที่ปุปผารามเวลาเย็นก็เสด็จเก็ออกจากที่พักผ่อนแล้วก็ตัดเรียกท่านพระนนทตตัดว่าอานนท์เรามาไปส่งน้ําที่ปุปพระโกธกาโกธกาเนี่ยปุปพระโกธกานี่เป็น ที่อาบน้ำเนี่ยที่อาบน้าท่านผ้านนได้ทูลรับพระ ด, ดำรับดรัสแล้วพระพุทธเจ้ากลับท่านผ้านนก็ได้เสด็จไปสรงน้ำที่ท่าปุพะโคทกะสงเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาทรงจีวรผืนเดียวประทับยืนผึ่งพระองค์อยู่ท่านผ้านนก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าอาสมของพราหมณ์ชื่อลำมะกะอยู่ไม่ไกล เป็นที่รื่นล้มหน้าเลื่อมใสบอกว่าเป็นที่รื่นลมหน้า เ, าเลื่อ ม, มใสนะขอโปรดเสด็จไปในที่นั้นเพื่ออนุเคราะห์เธอทั้งั้นพระผู้มีภาคเจ้า ก, ก็ทรงรับโดยดุษเดียภาพคือพระพุทธเจ้ารับในการที่จะไปแสดงธรรมเนะแล้วจึงเสด็จไปที่อาสมของพราหมณ์ชื่อลรมกะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปสนทนามิกถากันอยู่นั้นพระพุทธเจ้า ก, ก็ประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูข้างนอกคอยให้ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันจนจบ เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าไปหนะ้าที่ตรงไหนเนะี่ยไปเห็นภิกษุสนทนาธรรมกันพระพเจ้าก็ยืนฟังเนะีถ้ายังไม่จบนะั่นเนี่ยยังไม่ยังไม่เข้าบออ่เยอะก็จะยืนฟังอยู่เนงะี้ยทุกวันนี้ถ้าหากมีคนกําลังสนทนาพระธรรมกันเนี่ยเราไปปุ๊บเนี่ยบางทีเราไปแทรกเลยนะไปแทรกเลยทำบรรยากาศก็เสียหมดเลยนี่นไม่ถูกทีนี้ถ้ามองจากคําสอนตรงนี้ได้บอกว่า ปุกพารามเนี่ยนีก็เป็นปราสาทเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าไปดูที่ปุกผารามอารามของที่ท่านนางวิสาขาได้สร้างเขาไว้เนี่ยปัจจุบันหาซากไม่เจอแล้วมีห้องอันทรงวิจิตเนี่ยนียสิริสำหรับพระผู้มีภาคเจ้าตรงกลางห้องทรงสิริสำหรับพระมหาสาวกทั้งสองคือคือที่วัดปุกพารามเนี่ยนยีที่ประธานพระพุทธเจ้าห้องแล้วก็จะห้องติดกับพระพุทธเจ้า สห้องซ้ายขวาเนี่ย น, นั้นก็เป็นห้องของพระมหาสาวกก็หมายถึงว่าเป็นห้องของพระสารีบุตรห้องของพระโมคะลานะเป็นตนน้เน เ, เนี่ยเพระเทร่าเนี่ยนะตรงกลางห้องดังที่ได้กล่าวนี่พระเทลาเ่าเปิดทวารกวาดภายในห้องนํำซากมาลาออกมาจัดเตรียมจัดเตียงและต่างแล้วถวายสัญญาแด่พระศ า, าสดานี แล้วให้สัญญาถวายแ ด, พด่พระศาสดาพระศาสดาเสด็จเข้าสู่ห้องทรงสริมีสติสัมปชัญญะบรรทมสีหาสายญาตโดยพระประสเบื้องขวาบรรทมแบบสีหาสายญาตเคยเห็นเห็นพระนอนนะเคยเห็นพระนอนยังไหมพระนอนวัดพระนอนจักสีเป็นต้นเนี่ยเทรงระงับความกังวนกวายก็ลุกขึ้นประทับก็นั่งเข้าพระลสมาบัตรออกจากพระลาสมาบัตรในเวลาเย็นท่านหมายโดยอาการอย่างนั้นทีนี้ ตอนที่พระบระมา ศ, ศาสดาไปสงน้ำเนี่ยนะมีศัพย์อยู่ศัพย์หนึ่งเดีเราลองสังเกตดูนะว่าเวลาพระพุทธเจ้าสงน้ําสงพระวรกายเนี่ยนะพระพระพุทธเจ้าทํำยังไงผู้ใดขัดสีตัวด้วยผงดินเป็นต้นหรือขัดสีด้วยหินขัดเป็นต้นจึงอาบผู้นั้นท่านเรียกว่าย่อมอาบผู้ใดไม่กระทําอย่างนั้นอาบตามปกตินั่นเองผู้นั้นท่านเรียกว่าย่อมรด ขึ้นชื่อว่าน้ำอันเจือด้วยทุลีที่จะพึงเข้าไปเช่นนั้นไม่ติดอยู่ในพะสรีละของพระพตถาคตแต่เพื่อจะถือตามฤดูการนะพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมสงน้าอย่างเดียวด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวอย่างนั้นสงรงสงรถพระกายสงรถพระกายคือพระพุทธเจ้าเนี่ยแตกทีอย่างนะฝุ่นเนี่ย เวลาฝุ่นละอองปลิวมาถูกพระวรากายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยฝุ่นนั้นก็จะหลุดหายไปเลยไม่ติดหรอกไม่เหมือนกับผิวหนังของเราเนี่ยผิวหนังของคนบุญน้อยทั้งหลายเนี่ยติดฝุ่นดีนะ <c oughs> ขนาดทั้งเช็ดทั้งกวาดทั้งล้างทั้งถูอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็นึกเนี่ยกลุ่มบุญน้อยทั้งหลายเป็นองน้นะท่านทำเนี่ล้างกันวันละสองรอบบางทีไม่สะอาดพระพุทธเจ้าเนี่ยสะอาดเกลี้ยงเลยใบยบอลเนี่ย ใบบอลเวลาน้ําถูกปูบเนี่ยกลิ้งหลุดไปหมดสัญใดฉะนั้นฝุ่นเนี่ยไม่ติดเพระละอะไแต่พระพุทธเจ้าก็ส่งน้ำเนี่ยสงตามฤดูกาลเป็นอย่างนั้ น, นี่ยตามประเพณีเป็นอย่างนั้นทีนี้ในเล่ากันว่าในกรุงสาวสถีเนี่ยบางคราววิหารก็ใหญ่บางคราวก็เล็กนะเนีรเนกรุงสาวสถีเนี่ยเล็กเพราะอะไรถ้าพระพุทธเจ้านี่องค์กรนนามว่าพระวิปัสสีก็มีขนาดยศก็หมายถึงวิหารก็ใหญ่ พระศิขีพระพุทธเจ้าก็ขนาดสมคาวุธิหนึ่งคาวุธก็ประมาณเท่าไรประมาณ300รเซนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยขังพระเวสภูพุทธเจ้าก็ขนาดกลึงโยอดเนี่ยนะพระกุกุสันท่พระพุทธเจ้าก็ขนาดหนึ่งคาวุธโกนาคมนะก็ครึ่งคาวุฒกสปะก็ขนาด20สอุสุภาอุสุภานี่ขนาดอคอรั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายมีขนาด8กรีด แม้ครั้งนั้นบางครั้งก็อยู่ทางทิศตะวันออกของวิหารบางครั้งก็ทิศใต้บางครั้งก็ทิศตะวันตกบางครั้งก็ทิศเหนือก็ในพระคันภีร์ีเชตวันสถานที่ประดิษฐ์เพระแท่นแน่นสนิทจริงอยู่ขึ้นชื่อว่าเจติยสถานอันติดแน่นสี่แห่งคือสถานที่ตั้งมหาโพธิบัลลังก์หนึง่งสถานที่ประกาศธรรมจักรที่ป่าอิศิปตัตนามลกทัยวัรหนึ่ง สถานที่ที่ประดิษฐานบันไดขึ้นลงจากเทวโลกสังกัจจนครสังกัสรานครเนี่ยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดพุทธมานดาถ้าไปที่สาวถีไปพวกเขาก็จะไปชี้ดูนี่นี่นนตรงนรเนี้ยอะไรเงี้ยที่พระเจ้าเสด็จลงมาอะไรเงี้ยที่ประชาชนคอยกันลรอรับเสด็จสถานที่ตั้งวัทเทนปรินิพานหนึ่งก็ซุ้มประตูด้านนี้เป็นซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก ครั้งพระอุหารยี่สิบอสุภาของพระกัสปาทศพลแม่บัดนี้วิหารนั้นก็ยังปรากฏว่าซุ้มประตูด้านหน้าอยู่นั่นเองครั้งพระกัสป่าพระทศพลแม่น้ำอจิลวดีไหลล้อมพระนครถึงซุ้มประตูด้านหน้าถูกน้ำซ้อทาให้เกิดสะใหญ่มีท่าเรียบแล้วก็ลึกไปตามลําดับหนะ้าที่ตรงนั้นน่ยมีท่าน้ํารื่นลมมีทรายเหมือนแผ่นเงินหล่นเกลื่อน แยกออกเป็นส่วนๆอย่างนี้ก็คือท่านท่าน้าสําหรับพระราชาท่าหนึง่งสําหรับพระนครเนี่ยนะชาวพระนครอีกท่าหนึง่งสําหรับภิกษุสงฆ์อีกท่าหนึง่งสําหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกท่าหนึง่งดังนั้นพระพุทธมีพระภาคเจ้ากับท่านพระนนจึงเสด็จเข้าไปที่ซุ้มประตูด้านหน้าอันนี้ตั้งอยู่เพื่อสงสนานพระองค์ คือท่านพารานาก็ไว้ว่าที่อาบน้ำเนี่ยของคนในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่ป่าพลกันนะโดยเฉพาะท่าที่พระพุทธเจ้าอาบเนี่ยก็ ก, ก็ตรงนั้นก็เป็นที่ที่พุทธเจ้าทรงสงเท่านั้นครั้งนั้นท่านผ้านนน้อมผ้าทรงน้ําเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเปื้องผ้าแดงสองชั้นถ้าถามบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้จีวรสีอะไรสีแดงนะ เหมือนกับพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นเช้าๆสีแดงๆลักษณะอย่างนั้นงามมากกั้นสีงามมากบางคนเวลาไปอินเดียก็จะหาผ้าสีกลึงแดงๆ น, ดๆนิดๆเนี่ยเอาไปห่มเอาไปห่มพระพุทธเมตตาบางไปห่มต้นสีมหาโพธิ์บางเขาก็จะเตรียมไปเตรียมจัดแกงเตรียมกันบ้างวะ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็จะเตรียมไปกันแต่เขารู้คาสอนดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมา อย่างไงเอาไปคมสถานที่ที่พระพุทธเจ้าคือทรงประทับบ้างและที่พุทธเจ้าตรัสรู้เป็นต้นกันนะก็เตรียมไปคมแต่คนศึกษาคําสอนมาดีก็เตรียมพวกนี้ไปนะที่นี้ว่าครั้งนั้นท่านป้านนท์ก็น้อมผ้าส่งน้ําเข้าไปถวายพระผู้มีพรภาคเจ้าก็ทรงเปลื้องผ้าสีแดงสองชั้นทรงนุ่งผ้าอาบน้ําพระเถลาก็รับจีวรผืนใหญ่กับผั้งผ้าสองชั้นไว้ในมือของตน ลักษณะอย่างนี้พระนอนไปคอยอุปถกนะักต์เนี่ยไปคอยอุปถัก์คอยดูแลตลอดพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงไปส่งน้ำฝูงปลาและเต่าในน้ำก็มีเหมือนสีทองไปหมดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชวีเนี่ยนะมีพระรัศมีเนี่ยแผ่ออกมาด้านละหนึ่งวาฉะนั้นเวลาด้านละหนึ่งวานี่ออกเป็นสีทองเป็นสีอะไรต่างๆเหล่านี้นะี่เวลาลงไปส่งน้าเนี่ยนะ ปลาและเต่าที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะี่กลายเป็นสีทองหมดเลยเหลืองละลามงามขนาดนั้นนะเวลาพระพู้ธอง์เสด็จไปในะที่ไหนเนี่ยไอพระรัศมีก็จะสร้างนอกแปลกพวกร่างกายมีเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนี่จะเป็นอย่างนั้นนะเนะี่ยฝูงปลาและเต่าในน้ําก็มีสีเหมือนทองไปหมดพร้อมกับทั้งที่พระองค์เสด็จลงส่งน้นะนะํานั้นเนี่ยการในครั้งนั้นนะ่ยเป็นเหมือนว่าเหมือนอะไรเหมือนเวลาเอาทานานยนต์รถสายน้ําทอง และเหมือนเวลาที่แผแผ่นทองเ น, น, นะครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเนียมการส่งน้ำทรงส่งน้ำเสด็จขึ้นแล้วพระเทล่ก็น้อมผ้าผืนแดงสองชั้นเบถทวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงนุ่งผ้านั้นทรงคาดประคดเอวเหมือนสายฟ้าทรงจับจีวรผืนใหญ่ที่ชายทั้งสองรวบชายน้อมเข้าทำให้เป็นเหมือนกับ กรีปฐมประทับยืนอยู่ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีภาคเจ้าสรงพระองค์ที่สูงประตูด้านน้าแต่ว่าจีวรผืนใหญ่ซึ่งชายทั้งสองรวบชายน้อมเข้าทําให้เป็นเหมือนกรีปฐมกรีบัวเนี่ยประทับยืนอยู่จีวรของพุทธเจ้าถ้าถามว่าใหญ่ขนาดไหนพระพุทธเจ้านเนี่ยสูงสิบแปดศอก ไใช่ okay, ธรรมดาอย่างที่เราคิดแล้วบางสองพ0นกวปีะนะแต่ว่าก็คนยุคนั้นก็ใหญ่อยู่แล้วนกุฏินะ่ายะคุมกุฏิไนดะ้แต่ถ้าเราไปดูขนาดของกุฏิก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะขึ้นไปที่ที่เขาคิชโกด์ไปเห็นแล้วทำความสังเวชสลดใจใเกิดขึ้นเยอะไปตรึกพิจารณาพระธรรมคำสอนให้ได้แล้วก็คาดพระโคดเอลเนะเหมือนกับสายฟ้าทรงจับจวรพื้นใหญ่ทั้งสองก็รวบดังที่ได้กล่าวแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงพระองค์ที่ซุ้มประตูด้านหน้าเสด็จขึ้นประทับยืนมีจีวรบื้นเดียวก็พระสรีละของพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนอยู่นี้รุ่งโรจน์เหมือนเหมือนสะที่เต็มไปด้วยดอกบัวสะเนี่ยถ้ามีแต่สายอย่างเดียวดูไม่งามใช่ไหมแต่ถ้ามีดอกบัวด้วยจะดูงามแต่ดอกลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นในลักษณะเช่นนั้นเพราะว่า ลักษณะที่ว่ารุงโรดเหมือนดอกบัวและเหมือนดอกอุบลกําลังแย้มเหมือนกับต้นปริฉัตดตะกะที่มีดอกบานสะพังเนี่ยเหมือนกับท้องฟ้าที่ระยิบระยับไปด้วยดาวและก็พยับแดดเหมือนจะเรียกร้องเอามีเอามิ่งขวัญ น, น่ยและกลุ่มลักษณะอันประเสริฐ32ของพระองค์ก็หมายความพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมหาปุริสละขนาะ32ประการ ซึ่งงดงามแวดล้อมด้วยลัศมีวาหนึ่งไพโรดอย่างยิ่งเหมือนดวงจันทนระ์น่ดวงดวงอาทิตย์32ดวงที่ร้อยวางไว้เหมือนกับพระเจ้าจากักรพรรดิสาพระองค์เทวราชอีก32พระองค์นะและมหาพรหมอีก32องค์ที่สถิตยอยู่ตามลำดับนี้ชื่อว่าวันภูมิเออตรงนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาคำสอนตรงนี้เราจะรู้ว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าด้านความงามเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเป็นบุรุษทิ้งงามมากมองจากลักษณะอย่างนี้ท่านบอกว่าการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านั้นน่ยให้สรรเสริญให้มากเรามีปากเนี่ยเขาบอกว่าท่าบุรุษที่มีปากร้อยปากแต่ละปากมีลิ้นอยู่ร้อยลิ้นแต่ละลิ้นไม่ได้ทํากิจอะไรเลยพาราณาคุณของพพุทธเจ้าตั้งแต่เช้าจนเย็นจนกลับนี้สิ้นไป คุณของพระทธเจ้าก็ไม่หมดนะัคุณของพระเจ้ามีมากขนาดนั้นฉะนั้นบุคคลที่พาลานาสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระเจ้ามากเท่าไรบุญก็จะเกิดกับบุคคลเหล่านั้นได้มากฉั้นเวลาเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นเนี่ยถ้าตรึกพิจารณาคําสอนให้ดีก็คือการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่อย่างบางคนน่ยนะขนาดจําก็จําไม่ได้นะสวดมนต์ไหว้พระจําไม่ได้ต้องดูตัว แต่ที่ท่านนั่งจะให้สรรเสริญคุณที่นอกจากคำสอนที่สวดโดยจะนึกไม่ออกเลยว่รู้จะสรรเสริญยังไงดีพระพุทธเจ้าดีดีอย่างเดียวนน้นนอกนั้นไม่รู้จะคิดอะไรนี่ก็นึกไม่ออกบทว่าคัตตาน้ปพาปยมาโนรอความเป็นปกติกระทำให้พระกายหมดน้ำนั่นเองคือทำให้แห้งนั่นแหละ จิงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีพระวรกายชุ่มด้วยน้ำทรงห่มจีวรก็จะเกิดเป็นดอกเครื่องบริขารก็จะเสียแต่น้ำที่เจอือธุลีย่อมไม่ติดในพระสรีระของพระพุทธเจ้า น, น, น้ำก็จะกลิ้งกลับไปเหมือนหยาดน้ำที่ใส่บนใบบัวเชะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะความเคารพในศีขาพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าจึงทรงจับจีวรฝืนใหญ่ทั้งสองมุม ด้วยทรงดํำริว่านี้ชื่อว่าธรรมเนียมของบรรพชิตประทับยืมปิดพระกายเบื้องเบื้องเบื้องหน้าเวลาพระพุทธเจ้าจัดทาอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าคํานึงถึงศีรขาเพราะว่าจีวรใช่ไถ้าไม่ปิดกายเนี่ยเป็นอวบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะปิดกายเข้าไว้ใช่ไหม รอให้น้ํามันนั่นก็จะปิดกายลักษณะเนี้ยไม่ใด้เปิดกา ย, ยาให้สังเกตดูว่าพระเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่เปิดกายเดินไปทั่วอันเป็นธรรมเนียมในการที่ท่านรักษาศีรขาบวชของท่านเพื่อต้องการจะทําให้บริบูรณ์ในศีรขาของท่านแต่พระพุทธเจ้านะั้นน่ะท่านบริบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่ท่านก็เคารพในศีรขาเคารพในพระธรรมคําสอนท่านจึงทําในลักษณะอย่างนั้นเนี่เคารพในศีรขา ด้วยพระดํำริว่านี้ชื่อว่าเป็นธรรมเนียมของพระบรรพชิตที่ประทับยืนปิดพระกายเบื้องหน้าขณะนั้นพระเทเรซก็คิดว่าพระเทเรซนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าเออพระนนนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห่มจีวรใหญ่จะกกับพระองค์ลําบากโอจีวรใหญ่เนี่ยจะกลับลําบากตั้งแต่เริ่มสเสด็จสู่มิคลามาตาปสา ช, ชื่อว่าเปลี่ยนพุทธประสงค์ย่อมหนักว่างั้น เหมือนกั น, เ ห, นเหมือนเหมือนละเหียดมือจับราชสีที่เที่ยวไปตัวเดียวเหมือนจับงวงช้างตกมันและเหมือนกันกับจับอสารพิษที่กําลังแผ่แม่เบีย้ยจึงพละนาคุณอาสมของเรามะกาพรามณ์ทูลวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จไปหน้าที่ตรงนั้นพระเถระก็กระทําในลักษณะอย่างนั้นที่อาศัยในลักษณะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็รับอาราธนาโดยดุสเดีนะอาศัยความอนุค้อแก่ใครแก่ภิกษุห้ารอยลูป ผู้ไปสู่อสมนั้นด้วยตั้งใจจับฟังทำรรมีกระถาเฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอธิบายว่ากระทาความกรุณาในภิกษุทั้งหลายนั่นเองใครกรุณาคือพระพุทธเจ้านั่นเองทำมียากถายากความวันนั่งประชุมกันประชุมกันชมพระบารมีสิประการอย่างใดอย่างหนึ่งและมหาวินาสกรมเป็นต้นเหล่านี้ ก็ได้ชะเง้อดูอธิบายว่าไม่ผุนพันเสด็จไปโดยถือพระองค์ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี้แหละคือพระเนี่ยท่านนั่งประชุมกันเนี่ยบางกลุ่มก็นั่งประชุมกันในการที่จะชมพระบรารมีของพระพุทธเจ้ายกทานบรารมีศีลบรารมีเนคข ม, มรารบารมีปัญญาบรารมีสัจจะอธิษฐานะ สัจจคันติวิริยะอธิษฐานน้ำเมตตาอุเบกขาบรารมีอุปบรารมีปรมัภิบรารมีเป็นต้นเหล่านี้นะคือท่านนั่งชมนั่งสนทนาหรือก็คือนั่งชมนั่งสาธยายคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ออกมหาวินิจฉโกรมตั้งแต่ออกบวชเนี่ยแล้วก็ชงเงื้อดูไม่พระพุทธเจ้าก็ชงเงื้อไม่ผุนผันด้วยถือพระองค์เราเป็นพระพุทธเจ้าประทับยืนจนกว่าจะพูดกันจบ ถ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเอ้ยตนเองเป็นพระพุทธเจ้านะถ้าไปเนี่ยไปแบบไม่ต้องรู้จักการก็ได้พระกําลังสนทนากันอยู่เนี่ยไปถึงพบก็เอ้ยนี่พระพุทธเจ้ามาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเข้าใจใช่ไหมไอ้ผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้สมมุติได้ลูกน้องกํลาลังนั่งคุยกันอยู่เวลาจะไปเห็นก็คุยกันอยู่ยืนให้เขาคุยกันจบโอ้ยผู้ใหญ่นี่น่ากลัวลบมากแต่อย่างนี้ถ้าเรื่องเปรี้ยปากก็รีบแทรกไว้ก็ดี แต่ถ้าเขาสนนนาธรรมะกันนั่งยืนสงบสงยมฟังนี่เหมือนกันพระพุทธเจ้าไปก็ยืนจนกว่าเขาจะพูดกันจบอ่ะเนี่ยอคคลังอากโกเตสิได้แก่ข้อประตูว่าไวสิงสูก็คือว่าทันใดนั่นเองภิกษุทั้งหลายก็มาเปิดประตูพอนั่งคอยเงี่ยหูฟังอยู่แล้ว ปัญญาเตอาสนีความว่าได้ยินว่าครั้งพุทธกาลเนี่ยภิกษุถึงอยู่รูปเดียวในที่ใดๆก็จัดพุทธอาฏไว้ในที่นั้นนั้นทั้งนั้นเพราะเลยคืออย่างนี้นะพระนี่นะในสมัยครั้งพุทธกาลสมมติไปเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าพอไปเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าเบีดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาท่านไปปฏิบัติธรรมในป่าท่านจะมีอาสนะของพระพุทธเจ้าหนึ่งอาสนะอาสนะของตอนเองอีกอาสนะหนึ่งทำไมถึงทําอย่างนั้นคือที่ท่านทําอย่างนั้นก็เพราะว่า เวลาใดท่านปฏิบัติเนี่ยอกุศลนวิตกครอบงามท่านเนี่ยนะกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกำลังครอบงามจิตท่านอยู่ในขณะ น, น, นั้นพระพุทธเจ้าก็จะมาปรากฏตรงทีนะ่อ า, อานสนะที่ปูไว้มาแสดงทำบทนี่นะั้นพระพุทธเจ้าจะตรวจดูรู้หมดเลยอย่างยกอย่างพิกษุลเป็นแสนแสนลูกเป็นล้านรูปเนี่ยนะพุทธเจ้ารู้หมดแหละใครคิดอะไรถ้าปูอาสนะไว้เถอะเดี๋ยว พ, พุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรด แต่ทุกวันนี้จะปูไว้พระองค์ไม่มาเนีต้องต้องศึกษาคำโต๊ะองค์เสด็จ ด, ดับการตรีเนี่ยละการที่เราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าเราเกิดทันใช่ไหมเราจะอยู่หน้าที่แห่งขนตาบลใดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดเพราะขอให้เราเป็นสัตว์บุรุษนะเพราะว่าสัตว์บุรุษย้อนย่อมปรากฏในที่ที่ใกล้พระพุทธเจ้า ถ้าเป็นคนดีจริงๆเนี่ยนะจะับถึงจะอยู่ไกลแสนไกลก็เหมือนอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคนชั่วเนี่ยนะต่อให้อยู่ใกล้จับชายจีวรของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับอยู่ร้อยยศคือคือจะไม่ปรากฏในจะไม่ปรากฏในในกระแสจิตของพระพุทธเจ้าคนชั่วทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าจะตรวจดูว่าใครโน้ที่จะจะตัดธารู้ใช่ไหมจะได้ตัดธรู้เนี่ย ตรงนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่า <c oughs> พราะเหตุใดเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะใส่ใจถึงภิกษุที่ไปเรียนกรรมฐานในสำนักของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยว่าอยู่ผาสุขหรือไม่เนี่ยภิกษุรูปนู้นรับกรรมฐานในสำนักของเราไปแล้วสามารถที่จะทําคนวิเศษให้เกิดขึ้นบ้างไหมเนาะเนี่ยพุทธเจ้าจักรู้อย่างนั้นเนีก็จะเห็นถ้าภิกษุรูปใดละเลยกรรมฐานแต่ว่าไปเรียนกรรมฐานอย่าพุทธเจ้าแล้วไม่ละเลยไปนั่งคิดบาปอย่างเงี้ยเนี่ ย, ยวพุทธเจ้ามาเตือนแล้ว นี่เป็นอย่างนี้ไอ้ที่ไปนั่งคิดบาปเนี่ยเพราะว่าเผลอสติแล้วก็รู้ว่าผู้เจ้ามาเตือนแล้วจกได้ประโยชน์เนี่ยเพราะกลุ่มบางกลุ่มถึงแม้ว่าไปเรียนกรรมฐานมาแล้วก็จริงใช่ไหมไปปฏิบัติเนี่ยเคยคิดเรื่องบาปบ้างไหมอดไม่ได้ใช่ไหมที่มันอดไม่ได้เพราะชานาญในการคิดไงก็คิดไปทั่วงทีก็ปล่อยเมื่อวานเนี่ยมียอมคนหนึ่งเราถามก็บอกว่านี่เป็นยังไงท่านยอมเนี่ย เวลาปฏิบัติไปเนี่ยเวลาตึดแม้นขนาดกาลังเดินจงกรมเนี่ยง่ว ง, งก็งั้นนะเดินก็ง่วงก็บอกว่าศีลไม่ดีพื้นฐานศีลไม่ดีเนี่ยกุศลศีลไม่ดีเนี่ยปฏิบัติแวบเดียวแล้วง่วงแล้วอ่ะทำไมเป็นอย่างไงเพราะว่าสมาธินั้นไม่ได้มาจากศีลกุศลที่ชัดเจนสมาธิกุศลที่ไม่มีศีลกุศลเป็นฐานรองรับเนี่ยในที่สุดจริงๆเนนั่งฟังธรรมก็ง่วง <c oughs> เคยเป็นไหมนั่งๆไปแล้วง่วง เพราะอะไรอ่ะเพราะปริมาณของศีลกุศลนั้นมันมีกําลังพอปริมาณของศีลกุศลมีกําลังพอมียังไงก็แปลว่าตัวศิขาเนี่ยยังกลุ่มเทราวะทั้งหลายศีลห้าดีต้องดีใช่ไหมเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากเบื่อพืชผิดในการเว้นจากพูดเท็จแล้วก็งดเว้นจากดื่มสุราเมีัยเนี่ยเนี่ยถ้าตัวฐานของศีลห้าดีอยู่แล้วเนี่ยนะ ประการต่อมาก็คือฐานของอินซีต้องดีอินทซีสังวรต้องดีตัวอินซีสังวรก็เหมือนรั้วใช่ไหมเหมือนรั้วที่คอยคอยป้องกันไม่ให้โคหรือวัวเป็นต้นเนี่ยไปกินข้าวกลานน้าเนี่ยนะทีนี้ตัวกุศลศีลเนี่ยนะถ้าหากศีลในชั้นของปาฏิโมกสังวรศีลศีลห้าเป็นต้นเนี่ยเนี่ยตัวนี้ดีอยู่แล้วยังไม่พอเนี่ยจะต้องมีอินทซีสังวร ก็แปลว่าตาเห็นรูปใจไม่เว้นบาปเนี่ยตาเห็นรูปแล้วกุศลศีลต้องเกิดหูได้ยินเสียงก็ต้องสามารถทํากุศลศีลให้เกิดได้ดอมกลิ่นทํากุศลศีลให้เกิดได้เนี่ยนะลิ้มรสกินอาหารก็ทํากุศลศีลให้เกิดสัมผัสเย็นร้อนก็ทํากุศลศีลให้เกิดคิดนึกเรื่องราวต่างๆก็ทํากุศลศีลให้เกิดตัวกุศลศีลในในอารมณ์หเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเหมือนล้วแวดล้อมตัวปฏิโมกสังวรศีล ท่านถ้าหากไม่มีตัวอินทรีสังวรศีลตัวนี้เป็นตัวคอยประคับประคองนะเดี๋ยวศีล น, นั่นก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พังนี่เป็นอย่างนี้ปลูกข้าวไม่มีรู้ว่านกลับไปไปทํารั้วเถอะหรือทําตอนเนี้ยทํารั้วไว้จ <c> ะ <oughs> อย่าให้อย่าให้วัวมันเข้าไปกินข้าวเข้าใจป่ะหรือข้าวหมดนาไปทั้งนั้นแล้วหมดที่อย่างเช่นเนี่ยฐานไม่ดีถ้าคนฐานฐานของ ตัวกุศลศีลดีปริมาณของกุศลศีลต้องหนานแน่นคือทุกๆอารมณ์ที่คิดแล้วเป็นศีนของตนเองได้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วเห็นรู้ทันทีว่าถ้าทําอย่างนี้เป็นความทุศีนทําแบบนี้เป็นความเป็นการมีศีลเกิดขึ้นตัวกุศลศีลเกิดหนานแน่นใช่ไหมเมื่อกุศลแลศีนหนานแน่นแล้วคิดถึงตนเองเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นนะีนความไม่เดือดร้อนใจก็จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยศีลนันะ้น แล้วปราโมดก็ตามมาปีติก็ตามมาปัสสิทีความสงบ ก, ก็ตามมาความสุขก็จะตามมาอยากกุศลศีลนะแล้วสมาธิถึงจกตันมั่นไอสมาธิตัวนี้แหละจึงจะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาที่ชัดเจนถ้าอย่างนั้นนะสมาธิที่ได้จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิถ้ากุศลศีลไม่ไดีมิจฉาสมาธิอย่าหาว่าไม่ตั้งมั่นนะตั้งมั่นนะตั้งมั่นแต่ว่าตั้งมั่นในทางที่ผิดพลาด งั้นเรื่องการศึกษาคำสอนต้องต้องชัดเจนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจเจริญกุศลไม่ถูกเวลาไปเฝ้าพุทธเจ้าเลยยิ่งไกลเลยท่านจับชายชีวรของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเสแล้วฉะนั้นพิกูุบางรูปเนี่ยนะละเลยกรรมฐานกำลังตรึกอากุศลาาล้วิตกมีการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก แต่ก็ทรงดำริอย่างไรเล่าอากุศลและวิตกทั้งหลายจึงจะครอบงำกุลบุตรผู้นี้ซึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาเช่นเราให้จมไปในวัฏทุกซึ่งติดตามไปไม่ไมไมไมรู้ได้จึงทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏในที่นั้นเพื่ออนุเคราะห์กุลบุตรนั้นแล้วก็ให้โอวาทถ้ามองในลักษณะอย่างนี้บอกว่าถ้าคนใดก็แล้วแต่นี่นะไปเจริญกรรมฐานไปฟังพระธรรมไป ศึกษาพระธรรมคําสอนแต่คิดในเรื่องอกุศลวิตกอกุศลธรรมมลามมก็เกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะอย่างนี้หมายความว่าท่านผู้นั้นจะต้องจมลงในวัฏฏะแน่นอนจมลงในไหนจมลงในเหตุิมาสังสาระมชิมาสังสาระหรืออุปริมาสังสาระเนี่ยนะจมลงในภรมเบื้องต่ําบ้างเบื้องกลางบ้างเบื้องสูงบ้างสรุปแล้วก็คือออกจากวัฏฏะทุกไม่ได้ เมื่อเป็นไปในลักษณะอย่างนี้พระศาะสดาก็จะไปปรากฏพระองค์เพื่อจะอนุเคราะห์ภิกษุรูปนั้นนะ น, น, นีหรือกุลบุตรเหล่านั้นนะ น, น, นีลักษณะอย่างนี้เขาถึงบอกว่าพระศาะสดาทรงทราบใจของพวกเราจึงเสด็จมาประทับอยู่ใกล้ๆพวกเราในขณะนั้นชื่อว่าการแสวงหาอาสนะเป็นภาระจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าปโปรดประทับนั่งในที่ตรงนั้นเป็นต้นท่านลักษณะอย่างนี้ท่านจึงใช้ศัพท์ว่าปัญญาเตอาสนีนิสิติ หมายความบอกว่าพระเนี่ยเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ไหนในยุคนั้นเนี่ยท่านจะหาอาสนะเตรียมไว้เลยถ้าอาสนะไม่มีก็เตรียมไม้เตรียมหินเตรียมอะไรที่ดูเหมือนเป็นอาสนะที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยที่ ต, งตรงนั้นเน่ยเป็นการว่าต้อนรับพระบรมศาสดาว่าพระศาสดาจ้องดูเราอยู่จ้องดูเราอยู่รู้อยู่ว่าเรากําลังคิดอะไรแม้ถ้าเราเกิดอย่างนั้นน่ยจักสํารวมระวังมากมากเลยนี่ แต่ในปัจจุบันนี่เทวดาที่ท่านเป็นสมาทิฏฐิที่ท่านมียานในวิถีอย่างรู้ความคิดของเรามีมากนะเป็นภระริยมีเยอะเนะี่ยที่เขามองเห็นพวกเรากําลังฟังทำกันอย่างนี้ท่านชื่นใจนะและบางครั้งจิตใจเรามโมจะคิดเรื่องบาปเนะี่ยท่านก็สลดใจนะอย่าลืมนะท่านสลดใจโอ้เห็นมาฟังธรรมะทุกวันเสาร์เลยทำไมคิดบาปได้อะไรเงี้ยท่านก็จะคิดอย่างนี้ <c oughs> ท่านทับคิดเรื่องบาปบ้างว่านี่เป็นในลักษณะอย่างนี้ กลับมาดูในปาสราสิสูต่ตอนะว่าโดยการแสวงหาสองอย่างครั้งนั้นนะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทราบว่าภิกษุเหล่านั้นสนทนากันจบแล้วจึงทรงกระแอมแล้วก็เคาะบานประตูภิกษุเหล่านั้นก็ได้เปิดประตูรับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เข้าไปยังอาสมของพราหมณ์ชื่อรามกะประทับนั่งบนอาสนะที่ได้จัดไว้แล้วจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาอะไรกัน และเรื่องที่พวกเธอสนทนาการค้างเขาไว้มีเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าไปก็จะต้องถามว่าท่านสนทนาอะไรกันอยู่และสนทนาอะไรกันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นก็จะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำมีคาถาปาราถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหลพวกข้าพระเจ้าพูดกันค้างอยู่ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงว่ากําลังพูดเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่พอดีเลยพอดีพระพุทธเจ้าก็มาถึงในตำนานเนี้ จึงตรัสว่า ด, ดีล้วพลิกษูทั้งหลายการที่พวกเธอผู้เป็นกุลบุตรออกบวชจากเรือนออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธานั่งสนทนาธรรมมีกระทากันเป็นการสมควรนี่พุทธายกย่องนะบอกเออพวกเธอนั่งประชุมกันแล้วสนทนาธรรมนะสมควรนะเวลาพวกเราไปเจอหน้ากันปุ๊บเนี่ยสนทนาธรรมกันไนะหมถ้าอย่างนั้นเป็นการสมควร ถ้าคุยเรื่องอื่นก็ไม่สมองวน <S <S เป็นอย่างนั้นไปยอมกันพีชเจอหน้ากันปวกก็คุยธรรมะกันเลยทักทายปาราใสพอให้พอให้หายระลึกถึงกันได้นอกนั้นก็เป็นเรื่องของพระธรรมล้วนๆถ้าอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็เรียกเดินตามประธรรมเจอหน้ากันปวกก็ทักทายปลาัยพอให้ให้ระลึกถึงกันใช่ไหม vent? ตอนนั้นก็เป็นการคุยธรรมะกันตลอดถ้าอย่างนี้ใช้ได้ วันก่อนไปที่โรงพยาบาลนินยมกันพี่ถ้าเจอเพื่อนก็คุยกันอาจารย์ก็ยืนฟังยืนกันนึกวมีธรรมะออกว่างไว้ว่าไม่มี <laughs> พวกเธอเมื่อนั่งประชุมกันก็ควรทำกิจสองอย่างนะคือหนึ่งสนทนาทำกันแล้วก็นั่งนิ่งตามแบบอริยะคือพระพุทธเจ้าสอนสองวิธีถ้าเจอหน้ากันนี่นะให้คุยธรรมะกันนะแต่ถ้าไม่คุยธรรมะให้ต่างคนต่างนิ่งเหมือนพระอริยะอยู่กันนิ่ง แต่ไม่ใช่นิ่งแบบไม่พูดกันเหมือนกับคนทะเลาะ ก, กันเพราะคนคนทะเลาะ ก, กันก็ไม่พูดกันเหมือนกันเย้นะเขาไม่ให้นิ่งแบบนั้นอย่างว่าไม่ชอบคีนาคนเนี้ก็อย่าพูดตัวเลยเงอย่างเงี้อยอันนี้ไม่ได้ภรรยาไม่ได้เป็นแบบนั้นภรรยานั้นเขาไม่พูดกันแต่ว่าเขามีเมตตาต่อกันฉะนั้นในกรณีที่เราทําอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าหากว่าอยู่สองคนขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่ควรทําคือสนทนาพระธรรม ถ้าไม่สนทนากันก็ให้นิ่งแต่ไม่ใช่นิ่งเหมือนคนพา น, นิ่งแต่นิ่งเหมือนพาริยะท่านนิ่งท่านนิ่งแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยคนเราถ้าไม่พูดกันน่ยรู้เลยไม่ใช่เหมือนพาริยะเราเวลกโกรธกันทะเลาะกันนั่นเองไม่มีอะไรดูก่อนพิสษุท์ทั้งหลายการแสวงหามีอยู่สองอย่างเนะคือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐอย่างหนึ่งและการแสวงหาที่ประเสริฐนั้นอย่างหนึ่ง บอกว่าการสแสวงหามีอยู่สองอย่างสแสวงหาที่ประเสริฐกับสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐนี่เป็นอย่างนี้เอ่อในการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายประชุมกันในเรื่องอะไรเนี่ยลักษณะพวกเธอนั่งประชุมกันเรื่องอะไรหนอเป็นต้นเนี่ยในเนื้อความเหล่านั้นนี่ยในระหว่างการใส่ใจในการเรียนการสอบถามกรรมฐานเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเป็นการ ถามกันเนี่ว่าเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นเไหนคนบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีชราความแก่เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีชราความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีพยาธิความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาพยาธิความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละ เป็นผู้มีบารณะคือความตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีบรณะคือความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีสังกิเลตความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีสังกิเลตความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเธอบอกได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาบุตรภรรยาทาตหญิงทาตชาย แค่แกะไก่สุกรช้างโคมาลาทองและเงินเรียกว่าสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาดูก่อนภิกูุ์ทั้งหลายสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาเหล่านี้เป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มห ล, ลงเกี่ยวข้องสิ่งนี้สิ่งใดเนี่ยนะในสิ่งมีชาติเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเธอบอกได้ไหมว่าอะไร คือสิ่งที่มีชลาเป็นธรรมดาบุตรภรรยาทาาหญิงท่าชายแพะแกะ่ไก่สุกรช้างโคม้าลาทองและเงินเรียกว่าสิ่งที่มีชลาคือความแก่เป็นธรรมดาดูก่อนพิกษุทั้งหลายสิ่งมีชลาเป็นธรรมดาเหล่านี้เป็นอุปธิผู้ติดพันลุ่มหล ง, ลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีชลาเป็นธรรมดายังสแสวงหาสิ่งที่มีชลาเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละ เธอบอกได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาบุตรภรรยาทาตหญิงทาตชายแพะแก่ไก่สุกรช้างมา้าลาทองและเงินเรียกว่าสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุบัิเป็นผู้ติดพันลุ่มหล ง, ลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีพยาธิเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเธอบอกได้ไหมว่าอะไรเล่าคือสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาบุตรภรรยาทาาหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคโมา้าลาทองและเงินชื่อว่าสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาดูก่อนพิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิอุปธิเดี๋ยวจะไปขยายอีกทีนะอุปธิคืออะไรผู้ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้อง ในสิ่งมีมรณะเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีมรณะเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเธอบอกได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาบุตรภรรยาทาตหญิงธาตชายแพะแกะ่ไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองและเงินชื่อว่าสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดานั้นเป็นอุปธิผู้ติดพันรุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งมีความโศกเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองผู้มีความโศกเป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเธอบอกได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มีกิเลสเป็นธรรมดาบุตรภรรยาทาตหญิงธาตชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองและเงิน เรียกว่าสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีสังกิเลสเป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีกิเลตเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้การแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นอย่างนี้นะในคําสอนตรงนี้ท่านบอกว่า อณ า, อาอลิ ย, า, ยาปริเยสนากับอริยาปริเยสนานะอณาลิยะปริเยสนาก็แปลว่าการสแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐการแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐส่วนอริยาปริเยสนาก็แปลว่าการสแสวงหาที่ที่รประเสริฐเนี่ยนะเดี๋ยวขยายตรงนี้หน่อยให้สงังเกตดูที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงสิ่งที่ไม่ประเสริฐก่อนแล้วก็มาแสดงว่าด้วยการสแสวงหาสิ่งที่ ประเสริฐที่หลังเห็นไหมอย่างสิ่งที่ประเสริฐที่บอกดูก่อนพิกษุทั้งหลายการแสวงหาที่ประเสริฐเป็นเช่นไหนเนี่ยคนบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาย่อมทราบชัดโทษในสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาพระนิพพานเห็นไหมถ้าเรารู้ว่าชาติชาติคือการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วแสวงหาชาติเนี่ยก็แสวงหาการเกิดการแก่การเก็บการตายเป็นต้นเหล่านี้ การสแสวงหาที่ประเสริฐคือการสแสวงหาว่าชาติเนี่ยเป็นอะไรเป็นโทษเป็นอาทีนวะย่อมสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้กเกษมจากเยวคาตนเองเป็นผู้มีชะลาเป็นธรรมดาก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่ชรลาเป็นธรรมดาสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่หาธรรมยิ่งอื่น หาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้เกษมจากโยคะตนเองเป็นผู้มีพญาที่เป็นธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่งที่มีพยาทีธรรมดาย่อมแสวงหาพระนิพพานหาพยาที่ไม่ได้หาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้เกษมจากโยคะตนเองมีมรณะเป็นธรรมดาก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาก็แสวงหาพระนิพพานที่ไม่ตายหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้เกษมจากโยคะตนเองเป็นผู้มีความโศกเป็นธรรมดาก็ทราบชัดว่าโทษ อาทียวนะว่าสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาก็แสวงหาพระนิพพานที่หาโศกไม่ได้กเกษมจากโยคะตนเองเป็นผู้มีสังกิเลตเป็นธรรมดาไหก็ทราบชัดโทษสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดาก็แสวงหาพระนิพพานที่ไม่เศร้าโศกหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กเกษมจากโยคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหลคือการแสวงหาที่ประเสริฐแล้วพระเจ้าก็บอกกาดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราก่อนแ ก, กลักจะรู้เนะี่ยพรเจ้าเล่าตัวเองอลไรตัวเนี้ย ก่อนที่พระเจ้าจะตรัสนระู้เนี่ยพระพุทธเจ้าว่าไงเดี๋ยวตรงนี้กลับไปย้อนดูอะดูคําว่าชาติธรรมโมแปลว่ามีการเกิดเป็นสภาวะพระพุทธเจ้านี่นะเวลาพระองค์แสดงเนะี่ยมาจากว่ากัตมาจะพิกเวอานาลิยะประเยสนาบุรุษผู้ฉลาดในหนทางนะี่ยเวลาแสดงอุบายมีความเว้นก่อนจึงกล่าวละทางซ้ายถือเอาทางขวาชั้นใดเนะี่ย พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเพราะว่าความที่พระองค์เป็นผู้ฉลาดในการเทศนาใช่ั้ยเวลาพระองค์เทศเนี่ยพระองค์จะบอกการแสวงหาอันไม่ไม่ใช่ภ้าริยาพึงละเว้นเสียก่อนตอนหลังก็แสดงลำดับของอุเทศแล้วก็แสดงบอกการแสวงหาที่ประเสริฐพระเจ้าจะบอกก่อนว่านี้เป็นทางไม่ควรแสวงหาเนเป็นการแสวงหาที่ไม่